อยู่ในประเทศไทยกถึงยังไงก็คงจะไม่ถึงการร้อนตายถ้าไม่ไปตากแดดจริงๆนะถ้าไปตากตากแดดจริงๆก็อย่าง่าถแต่มันร้อนข็้มาเราก็มีน้ำอยู่แล้วนี่ก็พวกเราเป็นนักศึกษาที่มาบวชในครั้งนี้หลวงพ่อเองก็เห็นใจลูกหลานเหมือนกันถ้าเห็นใจหลวงพ่อ้วยเหมือนกันอนะพอมันร้อนจะทำยังไงต้องอดทนอะ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 ให้มีความมีให้มีขันติในจิตใจแล้ว ป, ประกอบคุณงามความดีอย่างที่พวกเราสวดสักขูนี่ชราตโ ม, มหมิเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราจะได้ทำกรรมอันไหนไว้เราจะได้รับผลของกรรมนั้นกรรมมายน ن ي กรรมมพันธุกรรมปติสารณ า, าเราจะทำกรรมอันไหนไว้เราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้น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 แต่เนี่ยเมื่อสร้างเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสารกับวัดปาเวรุวันกับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์พระพุทธองค์ก็ไปฉันบินทวาดในกรุงบ่อยๆเมื่อพระเจ้าพิมพิสารนับถือเป็นพุทธศาสนกนชนเป็นพุทธมามกะเป็นพุทธศาสนูปฐมภกท่านก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าท่านก็ได้สาเร็จเป็นพระโสดาบัน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 แต่พ่อของพญาประสิทธิโกศนี่เรียกว่าพญาโกศนพระเจ้าปดินโกศลกรุงสาวัตถีแต่นี้พระเจ้าโกศ น, น, น, น์ก็คงมีลูกหลายคนแต่ไม่ชัดเจนว่ากี่ท่านกี่คนแต่คนหนึ่งก็คือเป็นผู้หญิงและกัพระเจ้าพิมพ์พิสารเลยไปขอและกัมาเป็นอัคมเมศสีกุงราชย์ต่อมา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 จากนั้นพระ อ, องค์ก็หาแพทย์หลวงมากัเจาะเลือดจากหัวเขา่าให้อัคคมเหษสีสเสวยสวยเลือดนางก็ได้สวยเลือดในหัวเข่าของพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็หายแพ้ท้องพอหายแพ้ท้องที่นี่นางโกศลนี่ก็อัคคมเหษสีโอ้ถ้าลูกออกมาเนี่ไปหาค่าพ่ออย่างนี้ มันจะเกิดอันนั้นอะไรไม็จะเป็นมงคลอะไรลูกกับลูกข้องเราท้องของเราเราควรจะฆ่าทิ้งรีดออกนะนางก็คิดเลยว่านางคิดเลยเกิดมันคงจะคนกลไปพูดให้พระเจ้าพระเจ้าพิมพิสารฟังพระเจ้าพิมพิสานก็ห้ามให้คนดูแลไม่ให้ทำเพราะว่าที่ยังไงก็ลูกของเราอย่าอย่าทำเ้อะ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 กับไปเรียนกับทิชชะประโมกอาจารย์พอไปเรียนจบแล้วอาจารย์มองดูมองดูโงเ่เฮงอมองดูพระราชนกุมารเนี่ยอพระราชนกุมารคนนี้เนี่ยเมื่อได้ครองราชถ้าวัดได้ลูกชายคนโตโลกลูกชายพนโตเนี่ยจะฆ่าพ่อจะฆ่าพระเจ้าแผ่นดินคนเนี้ยที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะจะครองราชแทน แต่เอาถอเมื่อเรารู้แล้วเราจะให้กล่าวคาถาสอนคาถาให้ให้เ้าว่ากล่าว<ม>เมื่อเขาจำเป็นจะต้องกล่าวท่นี้ก็อแนะนำเลแนะนำพระราชกุมารกลุงพารณนสีก่อนที่จะกลับไปกลุงพารันสีกลับไปเมืองเพื่อถวายหรือว่าไปแสดง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 ทำอะไรเป็นอันดับแรกคือให้อาหารให้อาหารที่เป็นพิษกับพระราชาอาหารอย่างกินเข้าไปแล้วแปลว่าเป็นพิษอย่างแรงแต่นี่กับวันนั้นกพระราช ก, กุ ม, มารนี่นก็เข้าไปเฝ้าเป็นครัวต้นเลยไปคุมเรื่องอาหารพอทูมาพระเจ้าเป็นดินกล่าวคาถาขึ้นในก่อนที่จะสวยสวยอาหาร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 เออพระเจ้าเป็นดีเงขึ้นไปยูห้องบอกว่าใครอยู่ในแถบนี้ข้ารู้ทั้งหมดถ้าอันนั้นออกมาข้าจะไม่ไว้หน้าใครทั้งหมดข้าจะต้องจัดการตามกฎระเบียบพอได้ยินท่านไหนฟ้าชายโผล่ออกมา <c oughs> ล, ล, กลูกชายโผล่ออกมาออกมาโอ้ยอมรับพ่อแล้วเ <S <S มืองเรื่องอะไรอะไรรู้พอรู้จากนั้นก็เลยขัง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 เราเหมือนกับเรารักลูกนีนเหมือนกัน่วันแรกนะอย่าคิดถึงพ่อเลยนะทีนี้ะพอคิดถึงพ่อพระบิดาคงจะรักเราเหมือนกับเรารักลูกในวันนี้น่ะแต่ทํำไมเราจะไปหาขังพ่อไว้ยางนั้นตอนนี้พอพอจบแล้วทีนี้คนนี้กลาออกอํามาศคนนี้ราออกผมอํามาศคนที่สองก็เข้าไปเข้าไปมาไรพระบิดาสวรรค์คดแล้วไปเจ้าพานะอะไรล่ะ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 จบแล้วทําไงได้จากนั้นก็เสียใจเ่ยไปกราบพ่อแม่พรมารดาพ่อแมนาดาเป็นไงสมัยเมื่อผมเป็นกุมารพระบิดารักผมไหมแม่โอ้ยไม่รักยังไงลูกลขนาดเป็นฝีเนี่ยยังไม่ให้ใครบีบใครเค้นออกกัวลูกจะเจ็บปวดใช้ปากดูดหัวฝีออกจากหัวเข่าของลูกจะไม่รัก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 หรือวันลังแกอะไรทั้งหมดอันนี้พูดตามความเป็นจริงแต่ท่านก็ไม่ได้พูดถึงว่าอดีตชาติของพระเจ้าพิมพิสารนั้นเป็นมาอย่างไรจึงมาให้ถูกลูกถูกทรมานอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากมีอยู่เป็นบางครั้งบา ง, บางตอนนิดหน่อยที่เป็นบุปกา ร, รของพระเจ้าพิมพิสารแต่ท่านทำบาปทำกรรมอไหนไว้ในอดีตชาติจึงมาถูกรังแกเบียดเบียน ทั้งที่ท่านได้เป็นพระสูดาบันเป็นผู้ไม่ตกต่ําแล้วตอนนี้นเมื่อเมื่อท่านสวรรคตรไปที่กงขังที่ตีนเขาตีนเขากิจกูอถ้าเราลงมาจากตีนเขาคิจกูดเราจะเห็นเขาจะพาไปดูว่ากงขังที่ขัที่คุมขังพระเจ้าพิมพ์พิสารเราจะพวกเขาจะแนะนําำ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 ถ้าเกตสก็เรียกว่า อ, อสตุขคตะประมะในพระบาลีคำว่าเกตสองนี่ก็คือเกตบีนี่เท่านเอะเอกพีสีโกลังโกละข้ที่สองโกลังโกละเกตสามนี่สตุขคตะประมะเกิดเจ็ดชาติแต่ไม่รู้ว่าพระเจ้าพิมพุสานี่จะเกรดไหนคงจะเป็นเกรด A ก็มัง้ง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 ได้ปรินิพานแน่นอเกิดความสรุปสังเวทใจจะมีแต่ปงปงทำสังเวทในใจของพระอรหันต์ก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากเป็นปงตกปงในทางที่ถูกต้องออแต่ว่าพระแก่องเนี้ยที่เป็นลูกศิษย์พระมหากัสป่านี่กลับคิดไปอย่างอื่นอีกเออพระพุทธเจ้าตายไปแล้วกว็ดีแล้วนี่พวกท่านทั้งหลายจะไปร้องห่มร้องไห้ทำไมพระพุทธเจ้าตายไปแล้วดีแล้วเพราะว่า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 พระมหากัสปาชมูไม่ได้ถ้าว่ามีคนพูดอย่างพระองค์นี้พุทธศาสนาจะอยู่นานจากเท่าไรคงจะไม่มีคงจะอยู่ไม่ได้นานเพราะมีการจ่วงจับอย่างร้ายแรงเพราะนั้นควรจะมีการประชุมหาหรือสงอควรมีสังฆานาพธรรมวินยัยให้เป็นหมวดหมู่จากนั้นพระมหากัสปะก็ เ, เรียกประชุมสง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 ขาวผ้าบางพันอีกรอบหนึ่งจากนั้นก็เอาชำรีชุบน้ำหอมอีกพันอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาผ้าขาวพันอีกรอบหนึ่งทาอย่างนี้ถึงห้า้อยครั้งห้ารอชั้นจากนั้นจะนึงนำลงในหีบเหล็กหรือลางเหล็กแล้วก็มีฝากครอบจากนั้นก็ยกขึ้นไปบนเชิงตะกอน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 ชลีละของพระพุทธองค์ขึ้นบนใส่หีบเหล็กแล้วลางเหล็กแล้วนะ่ยนะยกขึ้นบนเชิงตะกรนนะ่ยจะเอาไฟจุดนะ่ยจะถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าเทวดามองไม่เห็นตัวนะพอเอาไฟจี้เขาไปดับพิ้วพอจี้เขาไปดับพิ้วนะเอจุดใหม่ๆเหมืนกันนะคนเลยถามว่าทำไม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 กราบพร้อมกับพระสูง500้าร้พอ ม, มากราบขึ้นมาแล้วฝ่าพระบาทพระพุทธเจ้าโผล่ออกมาจากหีเปลิด ก, กั น, นันนคือในพระในพระไตรปิฎกท่านพูดอย่างนั้นนะพระมหากษัตริย์ก็เอาศีารษะเข้าไปใส่ฝ่าเท้าพระพุทธเจ้าจากนั้นก็อดเข้าไปพอพระพระมหากษัตริยถอยหลังออกมาพ้นเท่านั้นแหะไฟลุกขึ้นมาเองมนุษย์ไม่ต้องจุดอะไนจะน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 อย่างนี้ช่วงจากจยางนี้ไม่เป็นมงคลพระสงฆ์ทั้งหลายก็เห็นด้วยก็เลยนะัดเราจะไปชุมกันที่ไหนกรุงราชคักยเพราะว่าพระเจ้าสาจตรูเป็นศาสนปาปถมพกให้พระเจ้าสาตรูเป็นเป็นสมาธิฏฐิขึ้นมาเลยเนเนี่ยเพราะนั่นแหลพะพระสงฆ์สั่งยไรับทั้งหมดใช่ไหมก็เลยจัดประชุมที่สัตตะวันคูหาก็ให้พระสงฆ์ไปดู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 ถ้าจะทำก่อนได้ไหมได้กระพานน์เป็นพระโสดาบันก็เป็นประวัติศาสตร์ออกมาว่าพระสงฆ์ทั้งหลายประชุมในวันทาสังคายนายนั้นมีอยู่499รูปมีพระอนุน์องค์เดียวยังเป็นพระโสดาบันเฮมันจะเป็นประวัติออกมาเฮคนโบราณเขาไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะลูกหลานนะแต่นี้ก็ในเมื่อพระอนุน์ได้สาเร็จเป็นพระหรหัน วันเดือนวันจุดท้ายนะเพราะได้สาเร็จเป็นพระหรหัน์วันนั้นก็ประชุมสงฆ์ในวันนั้นเลยแต่ที่เมื่อพระอนุนสาเร็จเป็นพระหรหนะัน์นี่ก็นาศึกษาอีกเหมือนกันนะคือพระอนุนก็นั่งภาวนาบมเพ็ญอย่างเต็มที่ท่านจะได้สาเร็จอายุแปดสิปีแล้วนะ่ะ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 ลูกหลานได้ฟังเกี่ยวเนื่องมาจากพระเจ้าอศาศาตสัตตรูหรือพระเจ้าพิมพิสารเป็นมาอย่างไรแล้วก็ทำไมจึงพูดเกี่ยวกับการสังคายจจนายด้วยก็คือพระเจ้าอศาซศาตสัสตรูเนี่ยเป็นพุทธศาสนุปถะถมพกเป็นผู้จัดการเรื่องดูแลพระสงฆ์ทั้งห้าร้อรูปในพรรษาเรื่องอาหารการบริโภค ยาแก้โรคภัยไข้ยเย็บเย็บที่พักพาใส่พระเจ้าชาติตัเป็นพุทธศาสนูปะถะมพกทั้งหมดเ่ยอันนี้ก็คือเราจะไปพูดแต่พระเจ้าเป็นดินข่าพ่อเปิดหมู่เทวทัศน์อย่างเดียวน ะ, ะก็คือมองมันอีกมุมหนึ่งแต่วันนี้เทวพระเจ้าชาติเนี่ยท่านก็ไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียวท่านก็ได้ช่วยเป็นพุทธศรราสนาปถะมพกแต่ดูแลบำรุงพระพุทธศรราสนา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 แต่ว่าขราวนี้นพระเจ้าอร า, าราสตูเนี่ยความดีกับความชั่วในมากกว่านความชั่วมากกว่ามากกว่าความดีแต่ค ว, วความดีก็มีอยู่แต่ไม่สามารถที่จะยับยั้งความชั่วที่พระองค์ได้ทำไว้นั้นกรรมของใครของเราอันนี้เพียงจะ่เราได้เรียนรู้เรียนรู้ว่าเราจะเป็นเรียนแบบพระเจ้าอร า, าราสตูนะจะเป็นเรียนแบบผู้ที่ทำกรรมชั่วเอาเรียนแบบที่พ้นที่สร้างตะกุลงามความดี